ถมบทแปลเรื่องที่80เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่งภาคที่สเรื่องที่ส0ของวักที่เจอรหันตวักวันน า, นาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบหญิงคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่ารมณียานี้เป็นต้นดังได้สดับมา ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ส่วนร้างสวนหนึ่งทำสมณะทำอยู่ครั้งนั้นหญิงนครโสภินีคนหนึ่งทำการนัดแนะกับบุุษว่าฉันจะไปสู่ที่ชื่อโน้นเธอเพิ่งมาในที่นั้นได้ไปแล้วบุุษนั้นไม่มาแล้ว นางแลดูทางมาของบุรุษนั้นอยู่ไม่เห็นเขากระสันขึ้นแล้วจึงเที่ยวไปข้างโน้นข้างนี้เข้าไปสู่สวนนั้นพบพระเถระนั่งคูบลังแลไปข้างโน้นข้างนี้ไม่เห็นใครๆอื่นคิดว่าผู้นี้เป็นชายเหมือนกันเราจากยังจิตของผู้นี้ให้หลุ่มหลงยืนอยู่ข้างหน้าของพระเถระนั้นเปลืองพานุ่งแล้วกลับ นุ่งบ่อยๆสยายผมแล้วกล้าวปรบมือแล้วหัวเราความสังเวชเกิดขึ้นแก่พระเถระแผ่ซ่านไปทั่วสรีระท่านคิดว่านี้เป็นอย่างไรหนอแลฝ่ายพระศัสดาส่งใคร่ครวญว่าความเป็นไปของภิกษุผู้เรียนกรรมฐานจากสำนักของเราไปแล้วด้วยตั้งใจว่าจักทำสมณธรรม เป็นอย่างไรหนอแลทรงเห็นหญิงนั้นแลวทรงทราบกิริยาอนาจารของหญิงนั้นและความเกิดขึ้นแห่งความสังเวชของพระเถระประทับนั่งในพระคันธกุดีนั่นแหละตรัสกับพระเถระนั้นว่าภิกษุที่ที่ไม่รื่นรมของพวกคนผู้สแสวงหากรรมนั่นแหละเป็นที่รื่นรมของผู้มีราคะไปปราดแล้วทั้งหลายก็แล ครั้นตรัสอย่างนั้นแล้วทรงแผ่พระโอภาษไปเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุนั้นตรัสพระคาถานี้ว่ารามณียานิอรัญญานิยัตถะน ร, รมติจโนวีตาราคารเมสันตินะเตกามะเขเวสิโนติป่าทั้งหลายเป็นที่น่าเรื่มรมท่านผู้มีราคา ไปปราดแล้วทั้งหลายจากยินดีในป่าอันไม่เป็นที่ยินดีของชนเพราะท่านผู้มีราคะไปปราดแล้วเหล่านั้นเป็นผู้มีปกติไม่แสวงหาการแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอรัญญานี้ความว่าธรรมดาป่าทั้งหลายอันประดับด้วยไพรสนมีต้นไม้รุ่นรุ่น มีดอกบ้าแล้วสมบูรณ์ด้วยน้ําใสสะอาดเป็นที่น่ารื่นรมบทว่ายถะเป็นต้นความว่าชนผู้สแสวงหากรามย่อมไม่ยินดีในป่าทั้งหลายใดเหมือนมแมลงวันบ้านไม่ยินดีในป่าบัวหลวงซึ่งมีดอกอันแย้มแล้วฉะนั้นบทว่าวีตะราคาเป็นต้นความว่า ก็ท่านผู้มีราคาไปปราดแล้วทั้งหลายคือพระกีนาศพจกยินดีในป่าทั้งหลายเห็นป่านนั้นเหมือนแมลงผู้และแมลงพึ่งยินดีในป่าบัวหลวงฉะนั้นถามว่าเพราะเหตุไรแกว่าเพราะท่านผู้มีราคาไปปราดแล้วเหล่านั้นเป็นผู้มีปกติไม่สแสวงหาการอธิบายว่าพราะท่านเหล่านั้น ย่อมไม่เป็นผู้มีปกติสแสวงหากรมจึงยินดีในป่าทั้งหลายในการจบเทสนาพระเถรานั้นนั่งแล้วตามปกตินั่นแลบรรลุพระอรหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายมาโดยอากาศทําความชมเชยถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระธ ถ, ถาคตได้ไปแล้วดังนี้แล เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่งจบอรหันตวัครรนานาจบวัคี่เจ็จบ